ที่วัดป่าสุขโตนี่เราตื่นแต่เช้านะตื่นก่อนเช้าซะอีกคนที่ไม่คุ้นนะก็ต้องปรับตัวหน่อยหม่ๆมันก็ตื่นแต่ตัวนะแต่ใจยังไม่ทันตื่นดีจะยังงวงเงียหรือว่ายังหลับอยู่ก็ได้นะแต่ว่าตื่นอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันก็จะตื่นทั้งกาย แล้วก็ใจก็จะเริ่มตื่นโดยเพราะถ้าปฏิบัติถ้าปฏิบัติดูจิต ด, ดูใจใจก็จะตื่นจะไม่หลับไหลถึงแม้เป็นเวลากลางวันแต่คนจำนวนมากก็ยังไม่ตื่นนะตื่นแต่ตัวแต่ใจไม่ตื่นเรียกว่าใจหลับอยู่ก็ได้เพียงแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในความฝันแต่มันเข้าไปในความฟุ้งแทน อันนี้เ็เรียกว่ากลางคืนฝันกลางวันฟุ้งนะกลางคืนก็หลับหลับทั้งตัวใจก็ฝันกลางวันตัวตื่นแต่ใจก็ยังเข้าไปในความฟุ้งอยู่อันนี้ก็เรียกว่ายังไม่ตื่นนะตื่นแต่ตัวแต่ว่าใจยังไม่ตื่นตื่นนี่มันมีหลายอย่างนะตื่นตัวตื่นรู้ที่นี่เราต้องการฝึกให้เกิดความตื่นรู้ขึ้นมา คือรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ว่าเวลาไหนก็ตามเมื่อกายตื่นใจก็ตื่นด้วยคือรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ว่านอกจากความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วหรือความตื่นรู้แล้วมันก็มีตื่นอย่างอื่นอีกเช่นตื่นกลัวตื่นตนหนกนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะตื่นกลัวตื่นตนหนกนี้อันนี้ยังไม่ใชนะ่สิ่งที่เราต้องการแต่มาใหม่ๆนะ บางทีให้ความตื่นกลัวตื่นตห น, นอกก็อาจจะมาครอบงำหรืออาจจะมากลัวเราได้โดยเพราะคนที่ไม่คุ้นกับการมาอยู่วัดไม่คุ้นกับการมาอยู่ป่าก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยก็อาจจะเกิดความตื่นกลัวขึ้นมาหรือพาะเวลากลางคืนหรือเวลาเช้ามืดเวลาตื่นกลัวนะก็ให้ดูใจของเราไปด้วยเพราะว่า เอาเขาจริงๆแล้วมันก็มันไม่มีอะไรที่น่ากลัวในป่าที่นี่ถ้าจะมีอะไรที่น่ากลัวก็คือใจของเรานั่นแหละที่มันน่ากลัวเพราะว่ามันปรุงได้มันปรุงสารพัดเลยแล้วพอใจเราปรุงแล้วเนี่ยมันก็ไปปรุงอย่างอื่นด้วยนะไปปรุงที่หูไปปรุงที่ตาไปปรุงที่จมูกอยู่กลางค่ํากลา ง, งคืนดึกๆหรืออจจะแค่สองทุ่มสามทุ่ม โอ้ oh, เราเนี่ยมันก็จะเริ่มนะถูกปรุงขึ้นมาได้ได้ยินเสียงอะไรที่เดินอยู่กรอบแกรบกรอบแกรบนะรอบกุฏิที่พักของเรานะพอได้ยินเท่านั้นแหละก็ตื่นกลัวขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าไปเข้าใจว่าหรือไปคิดเอาว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีนะมาเดินอยู่รอบกุฏิในป่านี้บางทีเสียงมันก็ ดังฟังชัดดีนะแม้แต่เสียงที่อยู่ไกลๆมงทิกเหมือนก็อยู่ใกล้ๆพอมีเสียงอะไรเดินอยู่รอบติดนี่ก็เอาละกลัวละคิดโนย่ยคิดนี้สารพัดแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่อะไรนะอาจจะเป็นเสียงเดินของสัตว์นะเช่นพวกหนูมันก็จะเดินออกหากินตัวมันเล็กนะแต่ว่าเสียงมันดูใหญ่เคยมี หลวงพ่อท่านหนึ่งท่านเคยพักอยู่ในเขตอุบาสิ ก, กาตอนนั้นยังไม่ได้มีการแบ่งเขตเป็นเขตอุบาสิ ก, กาเขตพระคนก็ยังไม่มากเขตอุบาสิ ก, กาก็ต้นไม้ก็ทึบมีวันหนึ่งท่านก็มีคืนหนึ่งท่านก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าเป็นสัตว์นะเดินอยู่ขึ้นบันไดามาเสียงมันดังฟังชัดมากแล้วก็ มือนก็มีอาการสะเทือนขึ้นมาด้วยต้องกตกใจตอนนั้นที่กุฏิบริเวณนั้นก็ไม่มีใครก็มีแต่ท่านรูปเดียวสิ่งแรกที่ท่านนึกถึงก็คือต้องเป็นสัตว์ใหญ่และสัตว์ใหญ่ในป่า น, นี้นะที่มันจะเดินบนบันไดได้ก็ต้องเป็นหมีพอกเป็นหมีท่านอะท่านก็รีบปิดประตูกุฏิแล้วก็เตรียมหาของใกล้ตัวที่จะพอเป็นอาวุธได้เพราะถ้ามันเข้ามาในกุฏินี้ก็ต้องเดือดร้อนแล้ว แต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้ามาท่านตั้งหลักอยู่ต้องนานเรียกว่าคืนนั้นทั้งคืนแทบจะไม่ได้หลับเลยด้วยความตื่นตัว เ, เต็มที่ตอนเช้าเปิดประตูกุฏิมาก็ไม่เห็นร่องรอยอะไรแต่ก็สังเกตว่าสบูน่นี่ที่ไว้ตั้งไว้ที่ระเบียงมันหายไปพอเดินออกไปเดินลงกุฏิไปสำรวจรเรืเยนรอบ ก็ไปเห็นสบู่มันตกอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เข้าไปในป่ามาสังเกตสบู่มันมีรอยหรือก็รอยแทะนะรอยแท้ของหนูก็เลยเข้าใจเลยอ๋อมันไม่ใช่หมีนะแต่มันเป็นหนูนะหนูมันขึ้นมากุฏินะแล้วมันก็คาบเอาสบู่ไปเสียงของหนูกับเสียงของหมีนี่มันไกลนะ หลายกันมากขนาดของตัวมันก็ใหญ่ต่างกันนะแต่เป็นเพราะใจที่มันกลัวมันก็ปรุงหูก็เลยปรุงไปด้วยหูนี่มันหลอกเราได้เหมือนกันนะที่จริงหูนี่ก็ไม่ค่อยได้หลอกเท่าไหร่หรอกแต่พอใจมันกลัวแล้วเนี่ยมันก็ไปปรุงที่หูอยู่ที่นี่อยู่ในป่านี่บางคืนก็จะมีอะไรแปลกๆให้เราได้ได้พบได้ยินบางคืนก็มีเสียงตบนะตบที่ข้างฝา ถ้กเป็นกุฏิพรานจะเป็นกุฏิไม้ไม้ก็อยู่บนในป่าดึกๆนีนะ่ประมาณตีหนึ่งตีสอนี่ตื่นขึ้นมามีคือตื่นขึ้นมาเพราะว่ามันมีเสียงตบอยู่ข้างฝาตบจากข้างนอกทีแล้วก็ต ก, กใจนึกว่าอะไรใครมักแกล้งเราหรือเปล่านะหรือว่ามันยิ่งกว่า น, นั้นไม่ใช่ใครแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ลี้ลับแต่ว่า อยู่ที่นี่ก็ถือหลักว่าอะไรที่ไม่เห็นด้วยตาแล้วก็ยังเชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีเสียงแบบนี้ขึ้นมาก็ต้องลองไปดูสักหน่อยลงไปดูลงจากกุฏิเดินอ้อมกุฏิไปดูว่าไอ้เสียงข้างฝามันคืออะไรมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันก็เป็นตุกแก่ตุกแกมันมันฆ่าสัตว์ใหญ่ได้บางทีมันก็สัตว์ใหญ่เกินตัวมันก็ไ้มันก็ฆ่ามก็ตีตีตีกข้างฝาจนกระทังตาย แล้วมันก็ค่อยกลืนเข้าไปวันนี้ก็เป็นมแมลงตัวใหญ่ๆนะมันก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะตัวทุกแกเนี่ยอยู่ที่นี่นี่อย่าไปเชื่อหูมากนะต้องเชื่อสายตาตัวเองมากกว่าอะไรที่ไม่เห็นด้วยตานะอย่าเพิ่งไปเชื่อเพียงแค่ได้ยินด้วยหูนะยังเชื่อไม่ได้หรือแม้แต่ได้กลิ่นนะก็ยังเชื่อไม่ได้ต้องเห็นด้วยตาเพราะว่า ใจของเราเนี่ยมันปรุงได้สารพัดแต่แม้แต่สิ่งที่เห็นด้วยตานี่ก็บางทีมันก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันนะเดินในความมืดหรือว่ากลางวันก็ดีบางทีไปเจอกิ่งไม้ขวางทางอยู่แว็บแรกที่มันเห็นก็คือเห็นเป็นงูอันนั้นก็เพราะความกลัวเพราะกลัวแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เห็นด้วยตาเนี่ยก็ปรุงได้ความกลัวมันเป็นสิ่งที่คอยปรุงให้เรา เห็นละไปิดเป็นจากความเป็นจริงเคยมีคนเล่านะเ ป, นเป็นเพื่อนชาวปีกเขาไล่ฟังว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเดินทางเข้าไปในชนลำบดนะคงเดินทางไกลด้วยแหละเราบอบว่าตอนนั้นเป็นตอนคืนฝนฟ้าก็พายุกระหน่ามากไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้ก็เลยต้องหาที่พักแล้วเขาก็ไปเจอปราสาทเก่าแก่เลยปราสาทนี้ มันไม่ใช่เป็นของรัฐบาลนะมันเป็นของเอกชนก็มีนะคนที่มีเชื้อนะเชื้อพวกขุนนางนี่ก็จะอยู่ประสาทกันก็เข้าไปขอพักแรมในประสาทประสาทนั่นก็มนะีคนแค่คนสองคนนะก็เป็นผู้หญิงอายุมากก็มาเปิดต้อนรับก็จะว่าปราสาทนั้นคงจะเป็นทาให้เป็นที่พักคนเดินทางไปด้วยก็ไปพักในประสาทนี่ก็โอ้ห้องที่เขาจัดให้นี่มันก็ดูเก่า ก่อแก่คําคร่าบ้านของคนคนอังกฤษนี่บางหลังนี่อายุถึง 600-700 ปีก็มีนะเคยไปประเทศอังกฤษไปบินทบาทไปบินทบาทนี่เขาก็จะไม่เหมือนเมืองไทยบินทบาทนี่เราก็รับบาดข้างนอกแต่ว่าในประเทศอังกฤษนี่คนเขาไม่มีประเพณีแบบนี้เราก็ไปรับบาดในบ้านเขาเขาก็จัดอาหารจัดขนมปังมาต้อนรับเลี้ยงน้ําชาเลี้ยงกาแฟ ก็เห็นบ้านหลังหนึ่งดูเก่ามากเลยาถามเจ้าของบ้านว่ามันอายุเท่าไหร่เขบอกหกเจ็ดร้อยปีแล้วแต่เขารักษาไว้ได้เพราะเขาทำด้วยอิฐเอาอิฐมาเกาะก่อกันแล้วก็ตกแต่งบูรณะอย่างดีแบบนี้มีเยอะมากบางหลังนี้ก็เป็นพันปีก็มีอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของประเทศอังกฤษกลับมาเรื่องที่ว่าต่อเขาก็ไปมเป็นนอนในห้องพักที่จัดไว้ให้บอกว่าฝนฟ้ามันก็ยังกระหน่านะจนกระทั่ง ไฟดับพอไฟดับคนนี้ละเขาก็ตกใจละเพราะว่าบรรยากาศมันวังเวงมากขณะที่เขานอนบนเตียงเนี่ยนะ<ช>มันเสียงฟ้าแลบมันก็แปรเปลีปล่ยนเป็นระยะระยะ<ช>ได้เสียงกุกกักกุกกักอยู่ตลอดเลย <c oughs> เขาก็เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วก็สักพักนี้เขาก็สังเกตเห็นว่ามันมีเหมือนกับมีมือสองข้างเนี่ยโผลมาตรงปลายเตียงมือนี่มันโผลมาสูงขึ้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆ ตอนนั้นเขาเตรียมตัวอยู่แล้วนะเขาก็มีปืนอยู่ข้างเตียงพอมือมันโผล่สูงขึ้นสูงขึ้นนี่เขาทำยังไงก็ปืนเนี่ยส่องลงไปยิงไปเลยที่มือตรงปลายเตียงที่มันกำลังโผล่ขึ้นมาปรากฏว่าคืนนั้นก็ต้องไปโรงพยาบาลเพราะไปยิงเท้าตัวเองเท้าตัวมันโผล่ขึ้นมาก็ไปยิงเท้าตัวเองเป็นตัวเป็นมือนี่มันหลอกได้ในะใตาเนี่ยขนาดเขียนด้วยตาได้แท้เนี่ยแต่ความกลัวเนี่ย มันทําให้ตาเนี่ยมันมันหลอกได้ไอ้พวกเรานี่เวลาเจออะไรก็ตามนี้แม้แต่เห็นด้วยตาบางทีก็เชื่อไม่ได้นะเพราะว่าใจมันก็ไปปรุงด้วยเราต้องรู้จักทักท้วงบ้างอย่าเพิ่งไปเชื่อมันทีเดียวนะอย่างที่เขาบอกว่าสิบบักว่าไม่เท่าตาเห็นนะสิตาเห็นก็ไม่เท่ามือคลำบางทีมันคลำไม่ได้แต่ว่าก็อย่าไปเชื่อสิ่งที่ตาเห็นเลยเพราะเวลาที่ใจเราเนี่ยมัน มันไม่ปกติมันหวั่นไหวมันกลัวแต่บางทีเวลาใจปกตินี่ก็มันก็ปรุงแต่งได้เหมือนกันนะเราเคยหรือเปล่านะทาของหายอ่ะของเราจะเป็นนาฬิกาจะเป็นสร้อยหรือจะเป็นแหวนเนี่ยวางเอาไวนะ้ในห้องเสร็จแล้วปรากฏว่ามันหายไปมันหายไปนี่เอาละนะก็ต้องคิดแล้วว่าเนี่ยต้องมีใครเอาไปหรือเปล่า บางทีมันไม่ใช่แค่คิดคิดเฉยๆทีมันปักใจเชื่อเลยว่ามีคนเอาไปมีคนข้างห้องหรือว่ามีคนทําความสะอาดเขาเพิ่งเข้าไปทําความสะอาดนะ้ำมือตอนเช้าก่อนนั้นนั้นของก็ยังวางอยู่ดีๆแต่พอตอนบ่ายกลับเข้าไปดูของหายไปสุแล้วใครเอาไปนะาจะเป็นใครไม่ได้นะก็ต้องเป็นคนทําความสะอาดนั่นแหละคราวนี้พอคิดแบบนี้เข้านะ เวลาคนทำความสาดเนี่ยเขาเดินผ่านเราเราก็จะสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยทำทีแปลกๆนะไม่ยอมศบตาเราบ้างแล้วนะหรือว่าเวลาพูดกับเราก็พูดมันมีพิรุษอยู่เห็นหนะกับกริยาของเขานี่มีพิรุษอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ทำให้เราปักใจเชื่อแน่เลยว่าเขาเอาไปแน่เลยบางทีก็ถึงกับฟ้องนะถึงหาเรื่องถึงกับไปแจ้งไปแจ้งเจ้าของบ้านนะว่าเนี่ย คนทาความสะอาดนี่แหละเอาไปเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่ว่าพอผ่านไปสักวันสองวันนะนั้นเราไปทําความสะอาดหรือเราไปค้นของดูปรากฏว่ามันอยู่บนหัวเตียงหรือมันตกลงไปในซอกในซอกเตียงก็มีก็กลายเป็นว่าไม่มีใครเอาไปแต่ว่าของมันตกมันซุกอยู่ในที่ที่เราไม่เห็นต่างหากแต่ว่าเราก็ไปกล่าวหาเขาแล้วว่าเขาเอาไป และที่เราเชื่อมันมาเข้าไปก็เพราะมีเห็นมีพลหลายอย่างท่าทีเขามีพิรุธนะคำพูดคําจากริยาอาการของเขาแต่ที่จริงเขาไม่มีพิรุษอะไรหรอกแต่ใจเราต่งางหาที่ไปปรุงไปแต่งไปคิดว่าเขามีพิรุษเพราะเราไปคิดว่าเขาเป็นขโมยเสร็จแล้วแต่พอรู้เรารวกเขาไม่ใช่ขโมยทีนี้เรากลับมาดูากับกริยาเขาใหม่อากับกริยาาก็ปกตินะไม่ได้มีอะไร ที่จรงมันปกติตั้งแต่แรกแล้วแต่ใจเราต่างหางที่ไม่ปกติเราไปมีอคติก่อนพอมีอคติแล้วมันก็เห็นอากับกิริยาเป็นมีพิรุษไม่ปกติอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เกิดขึ้นกับคนทั่วๆไปได้เสมอเวลาเกิดอะไรที่มันไม่ถูกใจเราเราก็ปรุงแต่งไปแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่ได้เห็นด้วยตาอยู่ที่นี่ของหายนี่บางทีมันไม่ใช่คนนะ อย่าเพิ่งไปเชื่อเป็นคนอาจจะเป็นหนูก็ได้หนูนี่มันก็เอาไปเอาของที่เราคิดไม่ถึงว่าจะเอาไปได้นะเพราะเราต้องระวังนะเวลาเราจะสรุปอะไรก็ตามว่าเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้นี่จะเพิ่งไปเชื่อความคิดมากนะต้องรู้จักทักท้วงความคิดของตัวเราบ้างเอาคนเราเดี๋ยวนี้เชื่อความคิดง่ายคิดอะไรปุ๊บมันก็เชื่อปรับว่าเป็นความจริงนะเห็นแฟนของเราคุยกับ ผู้ชายคนอื่นมันก็คิดแล้วแล้วว่าเขานี้กําลังนอกใจเรารู้เปล่าทางหน้าที่ก็อาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่คนเรานี่ก็ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบหาความจริงเท่าไหร่เพราะว่ามันไปเชื่อเสร็จแล้วมาไปสรุปเสร็จแล้วว่าเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ทันนะเข้าใจเข้าใจธรรมชาติของใจเราว่าใจเราเนี่ยมันชอบสรุปอะไรล่วงหน้าโดยที่ไม่ทันจะเห็นด้วยตา เราก็ต้องรู้จักทักท้วงมันมันจะสรุปว่าเป็นอย่างนูน้นเป็นอย่างนีวน้ว่าเพื่อเราเป็นอย่างนว้นเพื่อเราเป็นอย่างนีนนงนน้นัดแล้วเขาไม่มานัดแล้วเขาไม่มาก็กล่าวหาเลยว่าเขาเป็นคนไม่รับผิดชอบแต่ที่จริงเขาอาจจะมีธุระ ก, ก็ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รับผิดชอบเดี๋ยวนี้พอเราไม่พอใจอะไรเราก็กดโทรศัพท์นะโทรไปต่อว่าเพราะว่ามันสะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เราทะเลาะกันง่ายมาก เพราะมันมีโทรศัพทนะ์โทรศัพท์มือถือมันมีอินเทอร์เน็ตคิดอะไรขึ้นมาได้ก็ด่าๆลงไปพูดดา่าใส่โทรศัพท์หรือว่าด่าทางคอมพิวเตอร์มันไม่มีเวลาไต่ตรองแล้วสมัยก่อนนี่จะด่าใครสักคนถ้าอยู่ไกลนี่ก็ต้องมานั่งเขียนจดหมายนะกว่าจะเขียนจดหมายแล้วไปส่งเนี่ยก็อาจจะยังคิดได้แต่สมัยนี้มันง่ายมากไม่พอใจแล้วก็โทรไปด่าทันที ก็เลยเสียเพื่อนไม่มีโอกาสได้ทันยังคิดแต่ความจริงก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะที่ที่เราคิดไปที่เขาไม่มาก็าอาจจะมีธุระนะหรือเขาอาจจะมาแต่มาคนละเวลานักก็ไม่เขาจะให้ชัดนัดว่า4ี่โมงไม่รู้ว่า4ี่โมงเช้าหรือว่า4ี่โมงเย็นหรือว่านัดเจอกันที่ประตูแต่ว่าประตูมันมีหลายประตูทางเข้ามีหลายทางเข้าก็าอาจจะไปเจอไปรอแล้อีกที่ทางหนึ่งก็ได้ ขอมานี่มันต้องจะพึ่งไปสรุปอย่าพิ่งไปโกรธนะต้องซักต้องถามกันสะก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นงนแต่เดือนนี้เราปากเราไม่ค่อยชอบถามเท่าไหร่เรือว่าปากหนักปากหนักคือว่ามีอะไรก็ไม่ถามแต่สรุปไปซะแล้วว่าเขาเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้มีคนมากะซิปว่านายกอนี่เขานินทาเธอนายขอนี่เขาว่าร้ายเธอหรือว่าเขากล่าวหาเธอพอได้ยินเช่นนี้เราเชื่อแล้ว นะอันนี้เรียกว่าหูเบาคนถ้าหูเบาแล้วก็ผสมกับปากหนักด้วยนี่ก็มันทะเลาะ ก, กันได้ทั้งนั้นนะกับคนในบ้านกับคนในครอบครัวกับเพื่อนรักก็ทะเลาะ ก, กันได้เพราะความหูเบาปากหนักแล้วคนไทยเป็นอย่างนี้มากเพราะคนไทยเราไม่ค่อยชอบค้นหาความจริงเท่าไหร่เราเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งพอมีคนมากระซิปมาบอกแค่นี้ก็โกรธล้วพอโกรธแล้วใจมันก็ไม่ฟังแล้วมันไม่สนใจแล้วที่จะหาความจริง มันสรุปมันปรุงมันแต่งมันกล่าวหาให้เราต้องรู้จักทักท้วงมึงนะไปให้อาอารมณ์ความรู้สึกนี่มันมันเข้ามาครอบงําใจจนกระทั่งมันพาเราไปลงเหวลงนรกเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันปรุงแต่งให้ให้เราคิดว่าเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้เอย่าเพิ่งไปเชื่อมันง่ายๆให้ระลึกว่าอันนี้เป็นแค่ความคิดมันยังไม่ใช่ความจริงนะความคิดกับความจริงมันห่างกันไกลมาก นั่นเราต้องมันทักท้วงทักท้วงความคิดของเรานะอย่าไปเชื่อความคิดอย่าไปเชื่อสิ่งที่เห็น ง, ง่ายๆอย่าไปเชื่อสิ่งที่ได้ยิน ง, ง, ง่ายๆ่านยะมันทักท้วงว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ใหม่ใหม่มันก็ทํายากนะเพราะว่าเรามีนิสัยสรุปไปอย่างนั้นแล้วเวลาเราโกรธใครสักคนเนี่ยมันไม่อยอมฟังคําทักท้วงเลยนะแม้แต่คําทักท้วงของตัวเองนะเพราะว่าโกรธแล้วเนี่ยมันหน้ามืดตามวัว มันก็จะมีเหตุผลสารพัดว่าคนคนนี้น่ากโกรธคนคนนี้น่าจะโมโหใครมาทักท้วงแม้แต่ตัวเองทักท้วงมันก็ไม่ฟังแต่ว่าให้เราลองฟังสักหน่อยบางทีมันเหมือนกับน้ําเชี่ยวเอาเรือไปขวางนะมันไม่อยอมฟังอะ่ะแต่ว่าถ้าเราลองสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเชื่อทีเดียวนะก็ให้เผื่อใจไว้บ้างเผื่อใจไว้บ้างสัก 5% 10% ว่าอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิด อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเชื่อเผื่อใจไว้ถ้าถึงเวลาแล้วความจริงมันปรากฏเราก็จะได้ไม่เสียผู้เสียคนเพราะถ้าเราไม่เผื่อใจไว้เราก็จะก็จะหลงเชื่อความคิดแล้วก็โดนความคิดมันหลอกแต่นี้หลอกกันง่ายมากเชื่อข่าวลือกันง่ายมาก <c oughs> ก็เพราะว่าเราไม่ค่อยเผื่อใจไว้เผ <c oughs> <umu ๆ>ื <Glass> ่อใจไว้บ้างนะไม่ว่าสิ่งที่ได้ยินไม่ว่าได้ยินอะไรมาไม่ว่าได้เห็นอะไรมา หรือแม้แต่เราทักท้วงบ่อยๆทักท้วงบ่อยๆเนี่ยใจมันก็จะมีสติมากขึ้นอารมณ์ก็จะเข้ามาครอบงําใจเราได้น้อยลงพวเราถ้าอารมณ์ครอบงาใจแล้วเนี่ยมันสติมันก็ไม่เหลือแล้วแต่ถ้าเราหัดเรียกว่ายังจิตคิดเผื่อบ้างยังจิตคิดเผื่อยังจิต ค, คือว่ายังไม่สรุปอะไรง่ายๆยังไม่โกรธใครง่ายๆยั just, ไงไม่เกลียดใครง่ายๆยังจิตเอาไว้คิดเผื่อบ้างว่าอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราได้ยิน ถ้าทำสองอย่างนี้เนี่ยนะชีวิตเราเนี่ยมันจะพลังพลาดได้ยากจะเกิดความเข้าใจผิดหรือทะเลาะกันได้ยากไม่งั้นนี่บางทีเร า, า จ, จะทำสิ่งที่ไม่สมควรได้เพราะว่าความเข้าใจผิดชั่วแล่นที่เราเห็นในละครอย่างที่เราเห็นในหนังเนี่ยละครไทยที่เราเรียกว่าละครน้ำเน่าเนี่ยที่คนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยมันก็จะมีพล็อตเรื่องราวว่านางเอกพระเอกเข้าใจผิดกันนะที่เคยรักกันที่เคย ถูกใจกันก็ปรากฏเข้าใจผิดกันนะเข้าใจผิดเพราะว่าผู้ชายจะไปเห็นผู้หญิงไปอยู่ไปพูดคุยกับเพื่อนต่างเพศหรือผู้หญิงอาจจะเห็นพระเอกไปแชชิกกับเพื่อนต่างเพศก็เลยสรุปแล้วลวงหน้าแล้วว่าเป็นอย่างงาั้นเป็นอย่างนี้ว่าเขานอกใจเราอันนี้คือพลอตหรือว่ามุกในละครที่ยังขายได้ขายดีนะห้ปีอย่างไรก็10ปีปจจก็อย่างนั้นปัจจุบันก็อย่างนี้นะ คนก็ยังติดตามแล้วก็ร้องหผงร้องไห้ไปเศร้าเสียใจไปกับตัวละครไปด่าว่านางอิชาไปด่าว่าคนนั้นคนนี้ทั้งหมดนี้ก็มีแกนแกนอยู่ตรงเรื่องความเข้าใจผิดเพราะไปเชื่อหูเชื่อตาไปสรุปเอาเมาเอาคนเดียวแต่พวกเราดูแล้วเนี่ยเราก็ทั้งๆ ท, ที่ก็เห็นอย่างนี้เรื่องแบบนี้ก็ได้ยินมาได้ดูมาตลอดแต่ถึงเวลามันเกิดขึ้นกับตัวเราเองบ้างเราก็กลับทําตัวไม่ต่างจากตัวละคร ก็คือว่าหลงเชื่อง่ายได้ยินอะไรมาก็เชื่อแล้วเห็นอะไรมาก็สรุปแล้วก็เรียกว่าดูละครแล้วนี่ไม่เคยย้อนดูตัวเลยดูแต่เอามันดูแต่เอาสนุกเดี๋ยวนี้เราเป็นอย่างนี้นะเวลาดูละครดูหนังคนก็จะถามว่าดูแล้วสนุกไหมคนมักจะถามอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยได้ถามว่าดูแล้วได้อะไรบ้างพ่อแม่ก็ถามลูกว่าดูแล้วสนุกไหมดูหนังนี่สนุกไหมเวลาลูกกลับมาจากการเที่ยวนะไปเที่ยวมาก็จะถามเลยว่าสนุกไหม แต่ไม่ค่อยถามว่าได้อะไรมาบ้างได้อะไรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าได้ของมาแต่ว่าได้ความคิดได้ง่ายคิดอะไรบ้างเราไม่ค่อยได้ถามตรงนี้เท่าไหร่ก็เลยไม่เกิดจิตใจที่ไฝ่รู้เราแต่ถามเอาแต่ว่าสนุกไหมถ้ามีของเล่นก็ถามลูกว่าเออเล่นแล้วสนุกไหมแต่ไม่ค่อยถามลูกว่าเออมันทำงานยังไงนะไอ้ของเล่นนี้มันมันทได้ยังไงมันถึงชวนให้สนุกได้เราไม่ค่อยถามก่นเราถามแต่ว่าเอาความสนุกเป็นหลัก บางทีก็ถามตัวเองว่าสนุกไหมนะเออเรื่องนี้สนุกเรื่องนี้มันดีแต่ไม่ค่อยถามตัวเองละว่าได้อะไรนะอันนี้เลยว่าดูเอาเพลินะจนไม่มีสติมันเพลินกับความสนุกสนานนะพอเพลินกับความสนุกสนานแล้วปัญญาไม่เกิดแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันไม่เพลินอย่างเดียวมันกลับมาตั้งหลักว่าเออมันได้อะไรนะดูละครเนี่ยดูละครน้ำเน่านี่ถ้าตั้งสติให้ดีมันก็ได้ความคิดได้แนวคิดนะ อย่างได้แง่คิดว่าเนี่ยอย่าเพิ่งไปสรุปอะไรง่ายๆอย่าเพิ่งไปสรุปร่วงหน้าอย่าไปเชื่อตาเชื่อหูของเราใครพูดอะไรมาก็อย่าไปหลงเชื่อง่ายๆต้องต้องคิดเผื่อไว้บ้างหรือว่าต้องรู้จักทักท้วงความคิดบ้างอันนี้แหละถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดความตื่นนะตื่นรู้นะมีความมีความระแวดระวังไม่ใช่ตื่นกลัวไม่ใช่จมอยู่ในโทสะหรือความโกรธและชีวเราก็จะ สามารถจะดำเนินไปได้อย่างถูกต้องไม่ไปมีเรื่องเข้าใจผิดหรือเรื่องทะเลาะบอกแว้งกับใคร